โตเถียงท่านนาบีในความเหมาะว่าจะไปหรือไม่ไปเพราะท่านนาบีขอขอคำปรึกษาจากซอบะนบีขอคำปรึกษาจากซอบะก็มีกลุ่มหนึ่งที่โตเถียงท่านนาบีว่าไม่ไม่ควรไปเราไม่อยากไปแสดงว่าการโตเถียงนี่เราต้องเราต้องแยกนะเราต้องแยก การโตเถียงในตัวความจริงตัวความจริงอะทําไมผู้หญิงมีหนึ่งผู้ชายมีสองอะแบ่งมรดก น, นี่คือตัวหลักการอะโตเถียงนึงทำไมทําไมไม่เท่ากันอะโตเถียงในตัวหลักการนะอันนี้ไม่ได้โตเถียงก็เท่ากับไม่พอใจในหลักการแต่ โตเถียงในในเรื่องรอบๆที่มันเกี่ยวกับความจริงไม่เกี่ยวกับตัวความจริงนะเขาไม่ได้โตเถียงท่านนาบีว่าทำไมต้อง jihad ทไมไม่ต้อง j i h a เนี่ยไม่ได้โตเถียงเรื่องนบีเรื่องนี้แต่ในในภาวะนั้นๆว่าควรที่จะไปสู้รบหรือไม่ควรที่จะไปสู้รบอันนั้นนะคนโตเถียงขณะที่ โตเถียงในเรื่องที่ไม่ชิดตัวความไม่ชิดตัวความจริงแต่มันเป็นเรื่องที่มันเกี่ยวกับความจริงนะ่ Allah ح ح นะอัลลอฮุสซาห์นะวะดะอัลละก็ตน้นนีก็มีต้นนี้ถ้าเราจะมาถามแล้ ว, แ ล, ว, แ, ลวแล้วอะไรที่มันเป็นมาตรฐานแยกว่าเราจะโต้เราเป็นคนที่โต้เถียงในเรื่อง ตัวความจริงหรือสิ่งรอบๆคือบางอย่างนี่บางอย่างนี่มันไม่สามารถที่จะที่จะตั้งมาตรฐานชัดเจนนะว่าคนนี้เนี่ยเขาโตเถียงเพราะบางทีเขาก็อาจจะโตเถียงสิ่งที่มันรอบๆแต่ใจเขาเนี่ยเขา เขาต้องการที่จะถล่มตัวความจริงซึ่งเจตนาของแต่ละคนเนี่ยเราก็ไม่รู้ฉะนั้นเรื่องนี้ทุกคนนี่ก็จะต้องตัดสินใจตัวเองแล้วก็รู้ตัวเองเพราะการที่จะโต้เถียงในในเรื่องหลักการในตัวหลักการเนี่ยหมายถึงว่า แสดงความไม่พอใจในหลักการน่ะนะอันนี้ก็ถือว่าเท่ากับปฏิเสธหลักการคือไม่ยอมรับในหลักการแต่ที่สหภาพธรรมนี่คือเขาไม่ได้โต้เถียงในตัวหลักการในตัว j ิ h า d น่นนะไม่ใช่ในเรื่องที่มันเกี่ยวข้องเรื่องที่มันเกี่ยวข้องแต่เรารู้ยังไงก็อาจจะมีหลักฐานประกอบเช่นสหภาพเขาไม่ได้ปฏิเสธที่จะไป j ิ h a d กับท่านนบิบเขาก็ไปอยู่ดีใช่ไหม มีคนเอาสมุดด้วยไปละหมาดเขาก็เถียงเฮ้ยจะไปละหมาดยังไงฝนก็ตกอันนี้เขาไม่ได้เถียงเนีขาไม่ได้เถียงในเรื่องละหมาดใช่ปะแต่ใจเขาเนี่ยไม่อยากละหมาดเนี่ยเขาก็เลยเถียงในเรื่องเฮ้ยฝนตกเอ e าเดี๋ยวมีร่มเฮ้ i, ยเดี๋ ee, ยวละถนนมันเลืน่นเอ๊ะเอา <laughs> สรารพัดเรื่องเหตุผลแต่ที่จริงเนี่ยเขาไม่อยากละหมาด ข้อโต้เถียงของเขาเนี่ยดูมีเหตุมีผละนาๆรุนมรเลอดเห็นใจของเขาเนี่ยเขาไม่อยากจะลำบาไม่ใช่ประเด็นของเรื่องอื่นแค่ันมายุสากูนอิลลัมูตวะฮุมยันซูรนกคอนันมาประนิอัลลอฮได้ยกอุทาหัน ว่าการโต้เถียงของเขาแต่เขาไม่ได้เขาไม่ได้โต้เถียงด้วยสำนวนนี้นะแต่เขาโต้เถียงในความที่เขาไม่ประสงค์ที่จะไปสู้รบด้วยความเข้าใจว่ามันไม่เหมาะสถานการณ์มันไม่เหมาะไม่พร้อมความเข้าใจของซาบะบางกลุ่มมันนะแต่ Allah าาะละรุ่งอรุณว่าด่าลยได้ เปิดเผยสิ่งที่มันอยู่ในหัวใจของเขากอั น, นามาประหนึง่งประหนึ่งว่าพวกเขาถูกต้อนไปสู่ความตายทำไมอัลลอฮใช้สางโด น, นี้ละ่ะประหนึง่งประหนึ่งว่าพวกเขาถูกต้อนเพราะการ ต่อสู้การสู้รบเนี่ยความเสียหายสุดยอดของมันนี่ก็คือความตายทุกต้องั้ย <c oughs> แล้วคนที่จะมองถึงความเสียหายในการปฏิบัติหลักการเนี่ย <c oughs> ก็จะมองถึงความเสียหาย ในมุมที่ตัวเองได้ประโยชน์ไม่ใช่ในมุมที่ตัวเองเสียหายถ้ามองในมุมที่ตัวเองเสียหายเนี่ยมันก็จะมีความรู้สึกเสียหายฉะนั้นคนที่จะต่อสู้ขาจิฮาดแล้วก็รู้ว่าจิฮาดแล้วตายแล้วเข้าสวรรค์นเนี่ยเขาจะมองว่าการ เขาจะมองว่าการที่ไปสู้รบแลตายนี่นะคื อ, ค อ, คอการสู้รบเพื่อมีชีวิตที่ดีกว่าถูกต้องไหมพอเขาเชื่อเต็มร้อยว่าถ้าจี้ฮัแล้วก็ต่อสู้แล้วก็เสียชีวิตแล้วนี่นะ ก, ก็จะเข้าสวรรค์และนี่คือชีวิตที่นิรันดร์ความเสียหายนี่มันก็ถูกพีคถูกพิกไปเลยนี่มุมมองมันก็ถูกพิกไปเลย เ ว, เ, เ, เ, เวลาที่มาเรียนเนี่ยเนี่ยเวลาที่มาเรียนสมมติว่ามีโอกาสไปมีโอกาสในเวลาเนี่ยขายของอะนะ่ะสมมตินะขายของแล้วก็ชั่วโมงครึ่งที่มาที่มาฟังตับเซียบเนี่ยโอ้ย่ันนี้เนี่ยถ้าขายเสือ้อขายกุ้งขายอะไรเนี่ยแค่ขายออนไลน์อย่างเงี้ยนะโอ้ยได้ก็ได้หลายหลายพันหลายหมื่นแล้วนะ ถ้าคนนี้เขาอยากจะมองว่าจะมาเรียนกุรานโอ้หเสียหายถ้าอยากจะมองแบบนั้นก็เหมือนคนที่มองมอญิฮะด้วยอ๋อถูกก็เหมือนเหมือนแพะเหมือนวัวเหมือนปะสุสัตว์ถูกต้อนจะได้เชื่อจะได้ถูกเชื่อพอเขามองแต่ความเสียหายก็จะไม่เห็นอลัลลอฮ์ก็เลยดำหนีว มันช่วยไม่ได้อะถ้าเราไม่มีเทคนิคในการที่จะมองเป้าหมายเป้าประสงค์ของหลักการศาสนาที่แท้จริงอนะ่ะที่อโลภประสงค์นะมันก็จะมันก็จะเสียโอกาสเสียประโยชน์ไปหมดเลยแล้วคนที่อยากจะเรียนคนที่อยากโซลอยากจะเรียนได้ประโยชน์มหาศาลนี่ยจะไปจะไปหาที่ไหนโซเชียลก็ไม่มีม มาเรียนรู้มันเสละ ก, ะกับ طريق นยัแหละมิซูฟีะอิลมันใครที่เดินทางเพื่อในแนวทางศึกษารเรียนรู้ سهل ลัลอฮุลลอห์ طريق นั้นเอลละจันน่ะอัลลอฮ์ก็จะอำนวยความสะดวกให้มีเส้นทางไปสู่สวนสวนรรค์นะใครที่ครีมาฟังกุรานเรียนรู้กุรานที่มัสยิดเนี่ย มีอะไรก้างมาล้อมความเมตตาความสงบสุขนี่มามาล้อมมาจิ้น ส, สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันไม่สามารถแสวงหาได้ในที่อื่นกําไรที่เขามองเห็นน่ะทําให้เขาเนี่ยสามารถที่จะเสียสละเวลาของเขาเเช่นคนที่จะไปจิฮาดแล้วเขามองว่าจิฮัดนี่มันเป็นโอกาสที่จะเข้าสวรรค์ น, น่ะเขาจะเสียสละชีวิตของเขาเนี่ย เพื่อได้เป้าหมายเป้าประสงค์ที่แท้จริงแต่ถ้าไม่มองล่ะถ้าไม่มองอ่ะมันคนที่จะมาเรียนแล้วก็นึกว่ามันจะเสียหายก็แน่นอนโอกาสที่จะมาเนี่ยมันก็จะน้อ ย, อยลงถึงจะมาแล้วเนี่ยก็มาด้วยความรู้สึกนี่น ะ, ะฟังบรรยายไปฟัง ฟังความรู้ไปแล้วก็เสียใจไปก็เสียหายเสียเสียเสียไมรู้กี่แสนแล้วนี่แล้วนั่งคิดกันหนูป่านนี้นี่ขายไปแล้วกี่ชิดแล้วนี่ก็เหมือนเนี่ยกอันนามาประหนึ่งว่าถูกต้อนถูกต้อนไปตายแต่อีกกลุ่มซาฮาบะที่ขเขาเขาไป j ิ h า d เนี่ยเหมือนอันลลอฮ์สุภาเนี่ยกำลังกํลาลังเตรียมแนวเตรียมทางที่จะให้ไปสวรรค์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 อีกหตึองกลุ่หละจงรำลึกขณะที่อัลลอได้ทรงสัญญาไว้กับพวกเจ้าซึ่งหนึ่งในสองกลุ่มว่ามันเป็นของพวกเจ้ามีสองกลุ่มของมุชริกีนของชาวมักกะกลุ่มแรกก็คือกลุ่มคารวาลกลุ่มที่สองนี่ก็กลุ่มกองทัพที่ออกมาปกป้องคารวาล Allah ก็สัญญาว่าพวกเจ้านี้ก็จะต้องพบกับกลุ่มในสองและถ e ้าพบแล้วอ ok ah ่นน ok ah uh ัก็ต้องเอาชนะได้แน่นอน Allah สัญญาไว้แล้วอีกหนึ่งต่อท่าอีเฟติันนัเลุมทรพย์ลของมันในพวกเจ้านี้ได้อยู่แล้วซึ่งหนึ่งในสองกลุ่มว่าเป็นของพวกเจ้านี่หมายถึ่ว่าพวกเจ้านี้ได้ได้ประโยชน์แน่นอนก็คือได้รับยชนะแน่นอน ว่าตวดูนะอันนัยระดับชั้วคติจะคุณลูกมีลี้ยวกเชอบชอบแต่ว่าดูนะชอบที่จะให้กลุ่มที่ไม่มีกําลังอาวุธอันนั่งยระดับชัคตกลุ่มที่ไม่มีกําลังอาวุธเนี่ยกลุ่มไหนคาราวานคาราวานนี่ก็ก็มีแต่มีแต่ทรัพย์มีแต่สินค้า แล้วก็มียามเฝ้านิดหน่อยพราะมันไม่ได้เป็นกองทัพไงมันเป็นมันเป็นกลุ่มคารวานคารวานธุรกิจบรรทุกสินค้าจากเมืองชามมาจากเมืองชามและพวกเจ้านี่ชอบที่จะให้กลุ่มที่ไม่มีกำลังอาวุธไยรอดไช้ที่โชกะโชกะเป็นอาวุธไ ด, ด้ท่โชกะแ่คุณลุ่่ม เป็นของพวกเจ้าอยากจะได้ให้กลุ่มคารวาสนี่แหละเป็นของพวกเจ้าทําไมอ่ะก็มีทรัพย์เยอะแล้วก็ไม่ต้องสูร้รบก็หมายถึงว่าเสียหายน้อยมนุษย์ทั่วไปนี่ก็ถ้าจะคํานวณ น, นะนะแล้นี่คือหลักคํานวณ น, นะธุร ก, กิจแบบนี้แหละเสียหายน้อยที่สุดแลได้กาไรมากที่สุดลงทุนน้อยได้กำไรมาก การบวกเจ้าชอบแบบนี้แต่ไม่ชอบทำธุรกิจทำธุรกิจกับอัลลอฮ์สุบฮานะอวดาอะไรแบบนี้ในภาวะที่มุสลิมกำลังอยู่ในช่วงแรกของการก่อตั้งก่อตั้งรัฐอิสลามทั้งจำนวนน้อยทั้ง ไม่มีกำลังไม่มีอะไรเนี่ยและคิดว่าอยากได้มากแต่ไม่ต้องลงทุนอะไรมากฮะแม้กระทั่งเชิงทำธุรกิจธรรมดานะก็ไม่ได้นะักธุรกิจนี่ก็อบอกว่าช่วงแรกของการทำธุรกิจเนี่ยบางทีเนี่ยไม่ต้องไม่ต้องคิดกำไรเลยนะช่วงแรกนี่ยยอมบางทียอม คาทุนมนุษย์เนี่ยคิดแบบนี้นะแล้วก็อยากจะได้กําไรในระยะยาวเนี่ยในนู่นในนีตอนปลายเนี่ยอยากจะได้กําไรสูงอยากจะได้ทําธุรกิจได้กําไรแบบสบายๆนะช่วงแรกเนี่ยนะต้องทํางานอะไรต้องทํางานหนักนีมนุษย์ธุรกิจอะไรก็ธุรกิจเนียธุรกิจดุนี้น่ะ แรกจะได้กำไรเยอะในช่วงแรกนี่อาจจะต้องขาดทุนยอมย้อมขาดทุนแล้วบางทีนี่ลงไปในเอกสารด้วยนะสองสามปีแรกๆกันนะเอากำไรอยู่ไหนอ๋อสองสองสาปีแรกนี่เขาขาดทุนครับลงไปในเอกสารนะ่ะเป็นตัวเลขเลยนะครับขาดทุนขาดทุนขาดทุนขาดทุนจะเริ่มได้กําไรนูนะ่นปีที่4นี่ในโลกธุรกิจของมนุษย์เองนะ ไม่ชี้ไม่ชี้เรื่องศาสนาะไม่ชีเรื ง, สสนนเรงทำทำงานศาสนาก็อัลลนะอฮ์นะอัลลอฮ์ก็ทำนี่บอกว่าไงทำก็อัลลอฮ์นี่ไม่อยากลงทุนอะไรเลยไม่อยากจะเสียหายอะไรเลยแต่วัดด้วอันนั่งเลยเราได้ตีเซก็ติต่กูนูแล้วคุมพวกเจ้าไม่อยากจะลงทุนไม่อยากจะเหน็ดเหนื่อยไม่อยากจะอะไรเลยทางนั้นที่เป็นสงครามครั้งแรกหมายถึงว่าเป็นการลงทุน ครั ators, through, se, uh ้งแรกช่วงแรกของการลงทุนไงแล้วก็ไม่อยากจะขาดทุนอะไรเลยหรือน้อยที่สุดมันก็มีเหตุผลที่จะถูกถูกติวายูรีดุลลาห์อัยยุฮิกะลักกะแต่อัลลอฮ์ทรงต้องการให้ความจริงประจักษ์เป็นจริงขึ้นพวกพวกเจ้าชอบ แต่อัลลอฮ์ต้องการให้ความจริงประจักษ์วัยุรีดุลลองต้องการอัลลอฮ์ประสงค์เวลาใช้กริยาคําว่าต้องการกับประสงค์เนี่ยสำหรับอัลลอฮ์นี่นะประสงค์เหมาะกว่าเพราะคําว่ากริยาคำว่ า, วาต้องการเนี่ยมันเหมือนว่าต้องการนะถ้าไม่ได้อะมันก็จะพร่องอ้ลเราไม่พร่อง อัลลอฮ์ไม่ได้อัลลอฮ์ไ่เราะนั้นประสงค์ประสงค์ อ, งอย่างเดียวนี่มันมันสูงส่งกว่าสูงส่งกว่าคําว่าต้องการนะและที่จริงใ น, นยูรีดูนี่ถ้าจะถ้าจะแปลคําว่ายูรีดูนี่ก็คือประสงค์มันจะสวยกว่านะมันเหมาะกว่าเพราะในด้านกริยาที่เราที่เราจะใช้กับอัลลอฮ์ سبحانه และเราก็ต้องระวังเพราะกริยาบางอย่างเนี่ย ใช่ก็อัลลอฮ์ سبحانه และก็แบบสเปสปะไม่ได้ทำไมอ่ะคุณลักษณะของอัลลอฮ์เนี่ยมีทั้งนามมีทั้งกิริยาอะไรที่มันเป็นกิริยาบางทีเนี่ยเราจะเราจะเลือกเลือกอะไรที่มันเป็นกิริยาแล้วก็อ้างถึงอัลลอ์โดยที่ไม่มีตัวบทหลักฐานบางทีก็ไม่ได้ไม่ควรฉะนั้นมันมีความประสงค์ของมนุษย์วัตวัดดูเนี่ย ชอบที่จะพบชอบที่จะประทะกับกลุ่มที่ไม่มีอาวุธแต่ Allah ละ่ะประสงค์วายูรีดุลลอหอายูฮิกลฮักกะแต่ Allah สงประสงค์ที่จะให้ความจริงประจักษ์ก็ะสะแสดงว่าสิ่งที่จะให้ความจริงประจักษ์นี่คือการที่พวกเจ้าได้ประทะกับกลุ่มที่มีอาวุธเพราะกลุ่มนึ่งของซาบ้านเนี่ยเขาต้องการ เขาต้องการพบกับกลุ่มที่ไม่มีอาวุธฮาราวานแต่ตรงนี้อัลลอ์ไม่ได้บอกว่าและอัลลอฮ์ประสงค์ที่จะให้พวกเจ้าประท้ากับกลุ่มที่มีอาวุธเราไม่อัลลอ์อยากจะให้เห็นว่าการกลัวเสียสละการกลัวที่จ ะ, ะลงทุนในการทำงานศาสนาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่น่าตำหนิ แต่การที่รู้ผลดีของการเสียสละเนี่ยมันแทบไม่ต้องมองเลยว่ามันมีการเสียสละพอเห็นแล้วว่าจะเสียสละโอ้ยแล้วมันมันเยอะมันยันยงไงอัลลอฮ์ Allah บอกว่าชอบที่จะไม่ประทะผมที่มีอาวุธคือ้เห็นว่าอ๋อนี่พวกเจ้านี่เห็นเป็นเรื่องเป็นราวอ่ะประประทะกับคนที่มีอาวุธแต่พอจะมาเล่าสิ่งที่อัลลอฮ์ประสงค์ ้าหมายมันยิ่งใ้ายยุหิขะลักแะยูรีดุลลาห์อ้ายยุหิลักะอัลลอฮ์ต้องการให้ความจริงประจักษ์ตรงนี้ไม่ต้องมองแล้วน่ะมีอาวุธไม่มีอาวุธนี่จิบบเรืงเรื่องตรงนี้เรล็กไม่ต้องมองแล้วเนความจริงประจักษ์นเรื่องนี้มันเป็นเรื่องเล็กให้ความจริงได้ประจักษ์เป็นจริงขึ้น ทำไมเขาอธิบายแบบนี้คือมันมันมีมันมีที่ไปที่มานิดนึ่งในกา น, กนแปลคําเพราะมันมีสองคำที่เป็นรากศัพท์เดียวกันวายูรีดุละหุอัลลอฮฺประสงค์นี้ยูรีดุอันนี้ยูรีดุนี่นนี้ยนะูรีดุยูรีดุประสงค์หรือที่เขาแปลว่าต้องการไอยู ให้ความจริงประจักษ์เป็นจริงขึ้นโอ้ยทำไมันยาวอย่างเงี้ยย ح ฮิกยุฮิกอับีวกันฮัเป็นภาษาอเนี่ยให้จริงเป็นจริง นึกบอกว่าอยู่ให้จริงให้มันเป็นจริงอ่ะอัลฮักความจริงให้ความเป็นจริงเป็นจริงอมั น, ม น, มนสลับไปสลับมาว่าซ้ำไปซ้ามาว่ามันเป็นสำนวนฮักอัลฮักตรงนี้นี่ก็หมายถึงว่าตัวรากศัพท์นี่ดูเหมือนว่าเหมือนกันแต่ความหมายนี่มันไม่เหมือนกัน เพราะคำ ว, ว่าอัลฮักอัลฮักนมีหลายความหมาย1นึงความหมายอัลฮักคือความจริงสองคำ ว, ว่าอัลฮักนี่หายว่าที่ปรากฏชัดที่ปรากฏชัดมันก็คือความจริง ต้องไหมเช่ น, นอันนี้อะไรอันนี้อันนี้จออันนี้จอแล้วเธอผมบอกว่าอันนี้ไม่จออันนี้ต้นไม้ก็มีคนจะถือว่าเช็คความจริงอะ่ะอันนี้คือจอนี่คือความจริง ใะนี่คือความจริงหรือนี่คือจออะนี่คือความจริงความจริงหมายถึงว่าที่ปรากฏชัดนะว่ามันเป็นจอไปใส่วันตาซะจิงถ้หมายถึงว่าที่ปรากฏชัดเราก็หยิบยืมคําว่าอัลฮักเนี่ยที่มันปรากฏชัดเนี่ยกับทุกสิ่งที่ทุกสิ่งที่มันเกี่ยวกับเรื่องที่มันปรากฏชัด มองตรงกันเห็นชัดกันนะว่ามันใช่ตามนั้นนะ่ะตามตามที่มันปรากฏจริงไม่ใช่ตามที่เราบิดเบือนหรือที่เราต้องการหลอกลวงที่ผมต้องการหลอกลวงนีต้นไม้ที่ผมต้องการหลอกลวงมีต้นไม้แต่ที่มันปรากฏนะมันไม่ช่วยมันไม่เอือ้อที่จะให้พวกเราเชื่อว่ามันต้นไม้เพราะนั้น อัลมากรเลยบอกว่าวายัยหึกวยัยหิก ก, ก็หมายถึงว่าเพื่อให้มันประจักษ์มันจะได้ชัดจะได้ปรากฏชัดกับสายตาของซอบะว่าความจริงเนี่ยอิสลามนี่มันเป็นความจริงเพราะถ้าหากว่าพวกเจ้านี่ชอบที่จะไป ป, ะท ะ, ปะทะกับคารวานก็ไม่ต้องสู้รบไม่ต้องอะไรเลยใช่ไหมมันง่ายเหลือเกิน มันมียามประมาณสามสิบคนแล้วก็าหารของซาฮาบะนี่ก็สามร้อยปุ๊บปับ๊บปุ๊บปั๊บนี่ก็เสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วแล้วมั น, ม, นมันมีอะไรจะปรากฏละ่ะไม่มีแต่พอสามร้อยมาประทะกับหนึ่งพันหนึ่งพันซาฮาบะคนขี่ม้าอยู่สองคน มุชริกีนคนขี่ม้าอยู่สามร้อยคนอาวุธอาวุธของซาราบานี่สนิมขึ้น ท, ทุกเล่มเลยดาบทุกเล่ ม, มทั้นูแถบไม่มี อ, อาหารอนะ่ะซาราบานี่กินวันละพระลวันละเม็ดอย่างเงี้ยแล้วก็มุชริกีนนะ่ะร้อยคนเนี่ยเขาพันคนอนะ่ะร้อยคนเนี่ยชุดอู่ตัวหนึ่งกินกินกันเต็มที่เลยเนะี้ยคือปัจจัยทุกอย่างอะนะ มันน้ำหนักไปทางนูนแต่ทำไมชนะได้อะเพราะนี่มีเขามีศัจธรรมไงแต่ถ้าไปประท่ากับคารวานอย่างเดียวนะมันจะปรากฏไหมก า, การที่อัลลอ์ช่วยการที่อิสลามมีพระเจ้าช่วยอยู่มันจะไม่ปรากฏมันจะไม่ประจักษ์และนอกจากนั้นซาบ้านี่ซาบ้านี่ทั้งสามรอคนนะ่นะเห็น เห็นจะจะเห็นแกตานะใครต่อใครก็ไม่รู้จักใส่ชุดสีขาวนี่มาสู้กับเขาอ่ะมีสาฮาบคนหนึ่งตัวเล็กๆเงี้ยแล้วก็สามารถจับมุชริกินคนหนึ่งตัวใหญ่เบลริ่มเลยอ่ะนบีบอกว่าถามเขาว่าจับได้ไงอะคนนี้ไปจับไม่ได้ไงไปจับกุมไม่ได้ไงอเป็นมาเป็นเชลยสึก ไ่จับไม่ได้ไงอ่ะตัวเองกับตัวเล็กแค่นี้เราจับไปได้ไงอง่ะบอกว่าเปล่าผมเห็นมีคนหนึ่งตัวใหญ่มากเลยใส่ชุดสี ข, า, ขาวนบีบอกว่าอาณาการเลยหิมะละกุนกะรีมมีมาลัยกะผู้ทรงเกียรติมาช่วยท่านก็เดี๋ยวจะมีก็จะมีพูดเรื่องมาลัยกะที่จะลงมาให้กำลังอ่ะนะพันกว่าท่านไม่ได้สู้กับซหฮามานะแต่มุชริกีนอ่ะออีกเคสหนึ่งนบีก็เห็น เชิญเลยคนนึ่งว่าเนี่ยใครจับใครจับคุณมาสหบะตรที่เขาจับมาบอกผมครับไอ้มุสยีวก็ไม่ใช่ไม่ใช่คนนี้ไม่ใช่คนนี้ที่จับผมนี่ไม่ใช่คนนี้คนนึงถ้าไม่เกิดการประทะแบบเนี้ยพระเจ้าจะส่งอะไรกันไหมอ่าเนี่ยมันจะประจักษ์ไหม การสนับสนุนจากอัลลอฮ์ سبحانه และก็การที่อัลลอ์จะช่วยเหลือผู้สัทาที่ที่เสียสละจริงๆเพื่ออัลล์นี่มันจะประจักษ์ไหมความจริงแบบนี้มันก็จะไม่ประกฏไม่ประจักษ์บิคลิมาทฮด้วยพชนานของพระองค์ก็คือด้วยอนุมัติของอัลลอฮ์ سبحانه และก็การด้วยอนุมัตินี่หมายถึงว่า ที่อัลลอ์สั่งนบีว่าไม่ต้องไปประท่ากับคารวานไปประทะากับกองทัพอัลลอ์จึงทำให้ประจักษ์ซึ่งค ว, งความจริงเพราะสหายนี่ประสงค์ที่จะไปประทะกับคารวานมันจะได้ความเสียหายน้อยแต่อัลลอ์ประสงค์ที่จะให้ประทะ กับกองทัพเพื่อให้ประจักษ์ความจริงแต่นั่ว่าประสงค์ของอัลลอ์กับประสงค์ของซาฮับานี่ประสงค์ของอัลลอ์เนี่ยเหนือกว่าใช่ั้ยแล้วผลที่ตามมานี่ก็คือประจักษ์ซึ่งความจริงแต่พอประทะแล้วนะพอประทะแล้วเนี่ยวาย قطع ดาบิร์ลกาฟิรินและและจะทรงตัดขาด ซึ่งคนสุดท้ายของผู้ปฏิเสธศรัทธาทั้งหลายนี่ตัดขาดนี่หมายถึงว่าหมายถึงว่าเอาชนะถึงทหารคนสุดท้ายของฝ่ายศัตรูและมาพูดซ้ำต่ออีกครั้งหนึ่งนะครับหรืลฮิกะหรือบาติละเพื่อพระองค์จะส่งให้สิ่งที่เป็นจริงได้ประจักษ์เป็นความจริงอีกแล้วมันเป็นประโยค ค่อนข้างประโยคเดียวกคนันนะข้างบนนี้นี่ว่า يريد الله أي حق الحق ข้างล่างนี่ลีว حق الحق ประโยคเดียวแล้วละมาบอกว่ามันไม่ใช่ต่อการต่อการนี่ไปว่าซ้ำอันนี้ไม่ได้พูดซ้ำทาไมอะข้างบนนะ ยูรีดุลอห์อัลยุฮิลฮักกาที่จะให้ประจักษ์ที่จะให้ประจักษ์ซึ่งความจริงเนี่ยคือความประสงค์ของอัลลอฮ์ต่อความประสงค์ของสหายบังกุมที่สหายบังกลุมแต่วัดดูนะอันไงรดะที่โชคดีตกูนุละกุมประสงค์ที่จะไปปะทะกับปะทะกับกลุ่มที่ไม่มีอาวุธก็คือกลุ่มคารวานแต่อัลลอประสงค์ที่จะไปปะทะกับกองทัพ เพื่อให้ประจักษ์ซึ่งความจริงตรงนี้เนี่ยความประสงค์ที่จะให้ประจักษ์ความจริงนี่ก็คือตรงข้ามกับความประสงค์ของสหาบาศบางกลุ่มที่ที่ประสงค์จะไปประทะกับคารวานอันนี้อันแรกอันที่สองนี่พอประทะแล้ว หลังจากขาดคนสุดท้ายเนี่ยมนันจะมัวชนะแล้วลี uh ้ยว حق الحق แะเลี้ยว ب ลบาติลพอประทะแล้วทําสงครามแล้วเนี่ยอัลลอฮ์ทำทำเรื่องนี้คือทําสงครามให้มันเกิดขึ้นอัลลอฮ์ทำสงครามที่ที่มันเกิดขึ้นจริงแล้วนี่นะลิ uh ้ยว حق ا ل ก ق เพื่อพระองค์จะทรงให้สิ ja ่ง สิ่งที่เป็นจริงได้ประจักษ์เป็นความจริงหมายถึงว่ามันมีสองขั้นตอนขั้นตอนแรกความประสงค์ของอัลลอ์ต่อความประสงค์ของสหาะมีความประสงค์ที่จะให้ประจักษ์ความจริงมีความประสงค์เนี่ยยูรีดุลลอฮฺอยะกแต่การที่อัลลอฮ์ให้ประทะจริงแล้วนะอันนั้นก็มีความประสงค์เมื่อให้ประทะ ปะทะจรเนี่ยปะทะเพื่อให้ประจักษ์ความจริงในการประทะนะมันก็จะมีสองอย่างซึ่งไม่เหมือนกันถือว่าไม่ซ้ากันแล้วระหว่างสองอย่างเนี่ยถึงขั้นที่อัลลอฮ์จะต้องพูดซ้ำสองครั้งมันก็ต้องทำให้เราคิดไงทำไมอ่ะอุลลามาเขาบอกว่า เพราะบางทีเวลาปรึกษาหารือถ้ามีเจตนาของบางคนถ้ามีเจตนาของบางคนที่ไม่หวังดีไม่ประสงค์ดีหรือเจตนาที่ไม่ตรงกับหลักการศาสนามันอาจเป็นเหตุที่บั่นทอนความจริงความถูกต้องก็ได้ ลองนึกดูสิถ้าสอบว่าที่ประสงค์ไม่พบหรือไม่ประท่ากับกลุ่มที่มีอาวุธก็คือไม่เอาไม่ไม่ไปทําสงครามนี่ไปไปประท่ากับคาราวาหอย่างเดียวถ้าไอเดียเขาเนี่ยชนะอะไรที่จะเกิดขึ้นนักรอศาสตร์บอกว่าเป็นไปได้ถ้าได้ไม่ได้ไปประท่ากับกับกองทัพของมุสลิกีนนะ่ยแล้วก็ไปไปประท่ากับคารวานห์นะ จะโดนข้อหาหนึ่งขี้ขาดขี้ขาดเพราะอะไรเพราะไปหนีหนีกองทัพแล้วก็ไปหาคาราวานสองเป็นโจรป้นเออป้นเอาตังค์ไม่ได้ไม่ได้พวกนี้ไม่ได้ไม่ได้ต้องการต่อสู้เพื่อความจริงดูความเสียหายที่มันเกิดขึ้นดิแต่อัลลอฮประสงค์จะได้อะไรจะได้เรื่องนี้ไม่เกิดขึ้นเลวฮิกก์จะได้ประจักษ์ ซึ่งความจริงแสดงว่าแค่ให้ความประสงค์ชนะในช่วงปรึกษาหารือมันก็มีประโยชน์และมันก็แสดงถึงคุณค่าของการปรึกษาหารือให้รอบคอบและอะไรที่มันเป็นบรรทัดฐานใช้ในการพูดคุยเวลา เนี่ยเวลานั่งปรึกษากันโครงการอะไรก็ตามนะพี่น้องปรึกษาหารือจะทาโครงการอะไรก็อะไรก็ตามจะเป็นเรื่องธุรกิจจะเป็นเรื่องจะเป็นเรื่องงานศาสนาหรือจะเป็นงานสังคมหรืออะไรก็ตามอย่าลืมนะ่ะไอ้ความจริงเนี่ยไม่ใช่หมายถึ ง, ว, ว, ง, งว่ความจริงด้านศาสนาอย่างเดียวความจริงีหมายถึงสมมติว่า ทำแบบนี้แบบนี้แบบนี้มันสมมตว่าเราทำธุรกิจนะธุรกิจนี้มันก็จะมีขั้นตอนต้องทำขั้นตอนแบบนี้แบบนี้และมันจะได้กำไรถู <im> กต้องปะถ้าทำแบบนี้แบบนี้โอ้ยแน่นอนถ้าตามหลักการนีมันไม่ได้กำไรแน่นอนมันขาดทุนแน่นอนเราก็สามารถบอกว่าอ๋อก็แสดงว่าการทำแบบนี้ขั้นตอนแบบนี้นี่คือความจรงิงความจริงในด้านอะไรในด้านการทาธุรกิจอะไรนักธุรกิจมานัง มันั่งเถียงกันเฮ้ยต้องทาแบบนี้แบบนี้แบบนี้ไม่ได้เลแบบนี้ขาดทุนนี่คือความจริงความจริงที่เราเรียนรู้จากประสบการณ์ที่เราเรียนรู้จากที่เรายอมรับกันนะ่ะแต่เวลาปรึกษาหารือกันนะ่ะถ้าทุกคนเนี่ยเอาความจริงมาเป็นที่ตั้งนะมาเป็นที่ตั้งนะเวลาพูดถึงความจริงอ่ะนะ เราก็จะมุ่งหาความจริงพร้อมๆกันแต่ถ้าหากว่ามีความประสงค์ที่มันเขวทีม่มันเบี้ยวไปอะอ๋ อ, อ, อไม่อยากไม่อยากให้มันได้กำไรทำไมอ่ะเพราะได้กำไรหรือมันหรือมันก็เป็นบอสใหญ่เป็นบอสใหญ่แล้วทุกคนเสียบเปียบ ข้านี้เนะี่ยมันขาดทนดู ก, กูจะได้ขึ้นเฮ้ย <Hey, S 1> มันต้องทำแบบนี้คนต้องการ ใ, ให้มันขาดทนสมมุตินะแฝงอยู่ในใจนี่แฝงอยู่อ่ะอันนี้มันไม่ใช่ความจริงถ้าหากว่าความจริงไม่เป็นที่ตั้งขณะที่ปรึกษาหารือก็จะมีความคิดเห็นที่อาจจะทําให้กลุ่มทั้งหมดนี่เสียหายกันได้ ฉะนั้นในทุกกรณีที่มีการปรึกษาหรือเนี่ยทุกกรณีนะและ น, นี้เป็นเป็นสัจธรรมที่อัลลอฮ์ทำให้มีในโลกนี้ในทุกกรณีแม้ว่าจะเป็นเรื่องศาสนาหรือไม่ใช่เรื่องศาสนาเนี่ยมันมีความจริงที่เป็นบรรทัดฐานพื้นฐานที่ทุกคนเนี่ยวลามานั่งคุยกันอะนะมันเถียงไม่ขึ้น มันเถียงไม่ได้เถียงไม่ได้คือเรื่องตะกะเรื่องเหตุผลเรื่องอะไรต่างๆนั่นนหะคือความจริงนี่คือความจริงเวลาปรึกษาหารือกันเนี่ยอะไรที่จะทําให้การปรึกษาหารือเนี่ยบรรลุผลสำเร็จผลในการที่จะมีเอกฉันให้ดีที่สุดเอาความจริงเป็นที่ตั้งอย่าเอาอย่างอื่นแต่นี้อัลลอฮ มาเผยว่ามีบางกลุ่มบางกลุ่มใจเขาเนี่ยเขาไม่ได้ว่าจะต่อสู้เพื่อให้ประจักษ์ซึ่งอิสลามัจรรมแต่เขาต้องการประทะกับคารวานวรปะทะน้อยมันไม่ต้องไม่ต้องสู้รบไม่ต้องสู้รบมากไม่ต้องถ้ากลุ่มส่วนมากเนี่ยตามเสียง และเหตุผลนี้ซึ่งเป็นเหตุผลที่ไม่ตรงกับความจริงแต่ตรงกับความต้องการของกิเลสมนุษย์ทุกคนต้องการอะไรต้องการไม่สุรุปไม่บาดเจ็บไม่ตายและต้องการทรัพย์เฉลยเยอะกว่าถูกต้องไหมทุกคนก็ต้องการแบบนี้แต่ในเหตุผลที่สาวะส่วนมากเนี่ยไม่เอาด้วยกับเสียงส่วนน้อยเสียงเขาก็มีเหตุผลของเขาอะนะ แต่เขาฟังเหตุผลว่าเป็นคําสั่งบิกาลีมาที่เป็นคําสั่งของอัลลอฮ์และรสน์และนี่เราไม่ได้มาเราเราไม่ได้อพยพจากมักกะมามะดีน่านี่มาหากินกันมาทําธุรกิจกันมาเราออกมาต่อสูอเพื่ออิสลามต่อสู้เพื่ออิสลามเนี่ยเราก็ต้องยอมเสียสละสิจะไม่มีจะตายนี่ก็ต้องยอมตายจะขาดทุนนะจะขาดทุนเรื่องสับเฉลยนนะัก็ต้องยอมขาดทุนเขาคิดแบบนี้ อันนี้ความจริงที่ตั้งของเขาเนี่ยตรงแล้วอ่ะตรงกับท่านนบีสุวรมากเนี่ยก็เลยตรงกับความเห็นของค่านบีซัลลัลลอฮุอะลัยฮิสซาลฺความจริงมันก็เลยประจักษ์เป็นความจริงและให้สิ่งเท็จได้ประจักษ์เป็นสิ่งเท็จสิ่งเท็จนี่ก็คืออะไร ก็คือมุสลิมีนที่เขาออกมาปกป้องคาราวาลของเขาพันคนเพื่อมาข่มคู่มาข่มคูเพราะเขารู้ว่านาบีละซาร์ว่าออกมาสามร้อยเขาก็เลยเกณฑ์ทหารมาสองเท่าพันคนเพื่ออะไรเพื่อจะได้สั่งสอนมุฮัมมัดละซาแล้วก็สาวกของมุฮัมมัดนี่ว่า ไม่มีทาง3 0ะสมร้อยนี่จะเอาชนะหนึ่งพันไม่ได้มุฮัมมัดกษอบกสาวกนี่ก็ต้องแพ้แน่แพ้เนี่ยเขาจะได้รู้ว่ามุฮัมมัดและสาวกนี่นะไม่มีความจริงเขาแพ้มุชริกินแล้วเนี่ยเขาไม่มีพระเจ้าช่วยไม่มีไม่มีความจริงไม่มีศัธ ร, รมแต่เอาลอประสงค์ให้ให้เขาได้ ช, ชนะเนี่ยจะได้ประจักษ์ซึ่งความจริง และให้สิ่งเท็จได้ประจักษ์เป็นสิ่งเท็จว่าเรากี่ยวกับรื่มุสริมนและแม้ว่าบรรดาผู้กระทำความผิดไม่พอใจก็ตามมุจริมุนผู้กระทำความผิดนี่ก็คือบรรดามุชลิกีนี่แหละที่ประสงค์ยกทัพมากันพันคนเนี่ยเพื่อมาต่อสู้กับท่านนบีสุลตละสลัมทั้งนั้นที่เขารู้ว่านบีละาฮบานี่ไม่พร้อม เขาตั้งใจที่จะออกมาปราบปรามนบีให้พ่ายแ พ, ยพย้แล้วก็ให้ชาวอาหรับทั่วคาบสมุทรอาหรับนี่ได้เห็นว่านบีและสาวกนี่ใช่ไม่ได้แล้วล้มเหลวไม่รอดแล้วที่กระทำความผิดนี่ก็คือชาวมุสริกีถึงแม้ว่าเขาไม่พอใจแน่นอนแนตะ่เขาไม่พอใจ บทเรียนของสงครามบรนีนะครับก็จะมียงีอีกมากมายที่สุร์อลฟานี่ก็จะเล่าถึงโดยเฉพาะนสุรนเริมเริ่มจากเอสอลูนากาวนแฟเรื่องแบ่งทรัพย์เฉลยคือหลังสงครามแต่พอยิ่งเข้าลึกในสุรัตน์แอลฟานี่ก็จะยิ่งยิ่งเล่าเรื่องลึก มากขึ้นเกี่ยวกับสถานการณ์ของของสงครามอะไรเกิดขึ้นสถานการณ์สภาพของแต่ละฝ่ายนี่เป็นยังไงโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่มันจะเป็นบทเรียนสำคัญมากนี่ก็คือสภาพจิตใจเที่ยวร้องสุภาณวัวตาอะไรยกย่องสรรเสริญตัวท่านนาบีและก็สหาบะขณะที่เกิดสงครามเมื่อเขาได้ทุ่มที ในการสู้รบเพื่ออิสลามในการจิฮดเพื่ออิสลามขนาดไหนก็คงฝากไว้กับพี่น้องเพียงแค่นี้นะครับบอสลลอฮฺอาลันบีนมุฮัมมัดอลอละห์ ص ح ب ะสัลลัมซัลลัมุอาลัยคุณมูฮะลเาะลล